อาจารย์อ น, นพระปริญญาทังภาษาบาลีและนักธรรมธรรมศิษา์ที่มาเรียนวัดวัฒนบุนะครับโดยเฉาตัวเรียนสูงตัวเลเซียงระดับท่าน <c oughs> ควรจะนาดเลอาจารย์ดรนิรันดร กุรธานันต์ผู้ในการสู่กิจจาไปภารเพื่อสังคมจังบวัุรีเล่านมองได้แค่ไวขันหองซนท่านมศูนทั้งี่สามอคเินและท่านูมิเกียรติพรราทุกท่านครับือว่าวันนี้เป็นวันที่ธ่ระาท่านรองประานและคณะสมัชาทานนุศูน คุณมีส่วนร่วมในโครงการพัฒนาคนไใ่สวนนิเคอร์ไทยราจับาระรับจังหวัดบุรีรัมย์ก่อนอื่นนั้นผมในฐานะเป็นคนที่ีเทียมเรือสังก็ขอตักขอบคุณและก็ขอต้อนรับท่านมรณศูนย์ขอต้อนรับท่านผู้เกีร่ิกรุณท่านครับ ด้วยรูเป็นอย่างดีครับก็เห็นว่าเสนอตั้งแต่กนมีโครงการกิจสาประชารัฐมาหลายๆคนอาจจะได้ดีชื่อได้ชื่อได้เห็นชื่อคุณแม่เห็นชื่อคุณพ่อเห็นชื่ออาจารย์เห็นชื่อหลายชื่อในกิจสาประชารัฐจังหวัดอุริลัง วันนี้จะเห็นกันเห็นหน้าเห็นต า, าในลายนะครับในลายาที่เห็นท่านเจมส์ล็อกเกอรในลายได้อา่านได้อา่านข้อความดีๆต่างๆที่ส่งามาทางลายาในาการอกเกอร์ก็ส่งข้อมูลต่างๆให้พวกเร า, าได้อ่านได้ศึกษาได้ดูนะหลายๆท่านกลับขอบพระคุณเป็นอย่างสูง น, นะครับผมในฐานะคนหนึ่งซึ่ง เป็นจิตอาสาในพื้นที่ก็ได้อ่านได้เห็นแล้วก็ได้รู้ข้อมูลเพิดอเตืนบางครั้งก็ไม่ได้มาร่วมเนื่องจากปิดทางร่างกายที่ผ่านมาการระเบิดที่ไหนพาคณะจิตอาสาไปแกะไปช่วยตุ่มครอยนะครับคนลำบากยากจน ก็แข่งกันก็บอกแต่ละโครงการนี้นอกจากที่คนเราจะได้ช่วยเหลือเพื่อนในระดับจังหวัดแล้วนี่คล้ายๆว่าเป็นการเก็บตกนะเป็นการเก็บตกข้อบางข้อมูลอาจจะหน่วยงาน็จะการไม่ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือถึงได้ โครงการาาาาากิจการสายารแพทย์ดึงเข้ามาเออผมว่านี่แหละครับเป็นเปิดที่น่าแบบครับใจใหญ่ยิง่งกับาของคนเป็นอย่างสูงนะครับในโครงการโดยท่านท่านจอยล็อกเตอร์นะครั บ, รรบวันนี้จะขอขออนุญาตได้นำํำกาหนดการขั้นต่อที่จะดำเนินการในโครงการในวันนี้ที่วัดตัวานนนะครับขออนุญาตเอ่ยนามสามท่านแรกที่จะได้เล่นเจอเป็นตัวแทน จ่ายประกอบพิธีนั่นก็คือเมื่อถึงกำหนดการก็จะได้นนำดำเนินการตามรดับขั้นตอนโดยระดับแรกก็จะมีการชุดทุบเทียนบูชาระธรมนรที่ต้มูบูชาดังนั้นในชุดนี้ที่ต้มูบูชานี่ก็ผม้่ายไปเจอ่อาจดิุลธานะเ<ไ>ป็นสิบลูกตัวแททีุด<ห>เทียนบูชาพระธรนรหลังจากนั้น <ไป S 2> จะได้เดย่ยเิท่านผู้ในการธงไทยขนหอมนะครับท่านรองผู้ในการศูนย์กีฬาประชารัฐเพื่อสังคมจังหวัดปูนดําได้เป็นตัวแทนของท่านหนัวหนศูนย์แต่ละศูนย์ได้จุดเครื่องทองน้อยนะครับจุดเครื่องทองน้อยที่ด้านอระบรมรูปของพระบาทสมเด็จ พ, พระปรมินทรมาคุณมีผลอาจจะจะเด่นไม่ใชารที่เด่รนรามัดทุพดี อยากเรียานะคุณยากมีภารกิจร่าโทมณฑปเพชนะครับก็เป็นทัานที่สองหลังจากนั้นทรันที่สามนะครับคงกลาวเรียนเดินคุณแม่ประภัยศีคำสัตย์นะครับได้เป็นตัวแทนของพวกเราเป็นกรรมการบุญกิจนาตาประธานรัฐมนตรีรัชดนะครับได้จุดมูทาพระชางนะครับหลังจากที่ท่านประธานและตัวแทนของพวกเรา ได้จุดตามจุดทั้งสจุดเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะได้ น, นาไหว้พระราชนาศีลรับศีลพร้อมกันหลังจากรับศีลเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากในวันนี้ปเป็นพระคุณท่นานใั้จารยเจ้าวาดนั้นจะได้นำพาท่านอนาสู์และท่านภูมิเกียรติพระทุกท่านนะครับได้ร่วมต่วจ บทธรรมจักรกับพระวัฒนาสุขซึ่งเป็นบทใหญ่เพื่อเป็นการถวายเป็นพระราชูสุขเป็นการทำบิณฑและเกิดความเป็นสีมงคลต่อท่านประธานต่อท่านมัฒนาสุขและท่านคุณยิเชี่รศิริระดับทุกท่านในฐานะที่มีคิตอาสาเสียตลาเดินทางมาไกลนะครับครั้งที่23มกราคมนะครับบางมกราคก็ใกล้บางมกราคก็ใกลสุดนะครับ แต่ท่านก็มีจิตอาสาท่านก้นเดินทางมาถึงที่นี้ได้นะครับเพราะทาว่าผมคงท่านให้เป็นท่ในนี้องค์ละไม่สาบว่าทัางที่ถามมาเลยได้เดินทางมาพบกบที่รร้อยแล้วนะครับขอค่าวก็อย่างนั้นหลังจากที่ได้เจริญอุทมนตบทรรมะจับข้บพระนักรสุดเสร็จนะครับก็จะได้เดียนเจิน ท่านประธานและท่านขอท่านที่ได้เห็นได้เป็นตัวแทนอดถวายผ้าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลนะครับสามขืนนะครับามขืนที่เป็นตัวแทนของท่านแม่สูตแต่ละศูนจถวาย้าเสร็จปีนี้จร้อยแล้วก็จะได้นำถวายผ้าไ ซึ bible, ่งรายละเอียดของข่านั้นเป็นอย่างไรท่านประถานก็คมจะมาบอกเราก็สินะครับแต่ผมได้ข้อมูลจากท่านมนตรีนะครับทนปิตรได้ข้อมูลมาว่าแต่เล่าเนั่นเรื่องูกหลูกกันมาอย่างน้อยก็มาสบพบกันนะครับแต่จะได้ยอดกระจายจำนวนเท่าไหร่นั้นก็เดี๋ยวตามท่านประธานหรท่านมนตรีนะครับที่เป็นผู้ประสานงานในเร like <c oughs> ืน er ี้จะได้นําไปแก้ เอกภาพใังกั้นอในวารลำดับต่อไปแล้วก็หลังจากนั้นก็จะได้ประสง์ก็จะได้โมทนาก่อนที่ประสงฆ์จะได้โมทนาเขาจะได้ยเรียนเจอท่านประธานในพิธีได้กล่าวได้กล่าวพกปากคุยยื้อมีอาจารย์ตัดที่จะแก้ไขให้ธรรนัตสูนนและท่านภูมเกียรรทุกท่านทุกคนได้ฟังก็จะได้โมทนาลำับขั้นตอนต่อนะครับพราะาว่าบัดนี้ ทางถนนราชสูรและราชสูรทั้ง23 อ, องค์คือและท่านผู้มีเกียรติโครงการทุกท่านก็ผงจะต้องเปียนกันเป็นี่เดรอยแล้วกระผมก็ผงจะได้ขออนุญาตได้ดเนินการเข้าสู่พิธีการตามกับขั้นตอนเตรียมคุณพ่อทายกในจุดเปลี่ยนจานวนขอไปให้ด้วยนะครับขอทายกครับขอเชิญท่านเิรพงศ์แงไทยในท่านเปลี่ยนจานวนที่พระธรรมนะครับแล้วก็ท่านง รวยเจอเกณฑ์ทั้งนวที่เกิดเป็นเกิดเป็นที่ทาร่งรลัทินเครับเกณฑ์ทั้งมวลเราเล่นได้เนลี่ยนองเลยครัมีไม่ถี่นะที่ผมผมถามว่ามีใครมีไวมากเป็นวิชาประทัดใจมากครัอเดี๋ยวนี้ คนไม่ใใก็อยมีไฟใต้หิงที่ไมอมีไฟเพราะไม่ถึงปุ๋ยเออสา<อ>ขู้เขาผิดงน้อย่างนี้แล้วก็ปลื้มใจนะครับพวกเราเป็นต้นแบบและไม่สึงุยแต่อันี้คุพ่อพยยกว่าจะได้มาประเด็นหาอไรกันะรรรทุกคนนะครับอุณพอได้ยังครับเตรียมพร้อมหรือยไม่ขี้เตรียมทุกส่วนเลยนะครับขี้เป็นมื จัดาการจบกระบว <c oughs> นซอรทำดรรยากาศทำลายให้เป็นบร า, นนรรร า, รรากับปรินี้พร้อมแอร์อากาศเย็นเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนีวันกุลธรรมนันนะครับผู้ในการศึกษาประทาลัตเตอรสังคมจุบุรีราได้เป็นประธานในพิธีจุดทุกเกวนบูชาแล ะ, นน ร, ร, ะรัตนกรยตร่งเครับ เปลียนเชอท้องผู้การมรงไทยตนหอมรอผูอ้ในการจูงกิจสาประชาธิเพื่อสังคจมจัติวัดกรุรีนำ สำรวยให้ยืนอยู่นั่นมาทำไมสำรวยยเลย้ยเต็นเลยไปสำรวยวมยีไมีม ไ, มไมเาสำรวยอเออคนยืนให้เขาอุตส่าห์ชงให้เรามีบทบาท <c oughs> เอเอเต็มเลยนี้มนาะ เและเดินเจอคุณแม่ประไพศรีคำตัดที่ทำการศูนย์ิจการปรชารัเพื่อสังคมจัวัตปูนีลำจุดทุกเก่งบูชาพระธำเป็นเดชครับ เกรงใทุกท่านว่า ธุติยามเตพุทังจรนังจามิยาปพทังารนังขจามีธุตาเตัมมังจารนังจามีุติยามเปตตัมขังจารังขจาม ตาติยมตอุดหังเสรนังกัจ <azt> ามิตาติยัมติอัมมังสรนังกัจจามิตาติยัมติสังขัสรนังกัจามิ ที่การณ์กามณัตต์นิตตัธ ปัญจสิขาตถาิสิเลนะสุขติยันติสิเลนะภคาสัมตทาสิเลนะนิโคติยันติตัสมาสิลังกิโุถาติวิปปิปปิธาหายะตะปัมตะติทิยา สัพพุขาดวินาศายะปิตังรูธามังคะลังวิปติปติภายะสัพสัมปติิทิยสัพพายัวินาศายะปิตังรูธามังคะลังวิปติปติภายะสัพสัมปติิทิยสัพพวินาายะปิตังูมังคะลัง นังสือสวดมนต์กระเชิญเปิดไตน้าที่2 8พอเป็นประธานประจัดสวดน้องถวายนัคม่อนัตอนตานสานาวันโต ตัณฑ์ตัณฑ์นามสกุล พระองคั สาม ตัมามจักคหมดตาที่ยังเป็นศิษย์สมุทัยตา รกู เรียนเจริญท่านผูในการกรุงไทยศูนย์ห้องครับรองผู้มนุยการศูนย์จิตวสาปัิจารับเพื่อสสรวน ิเพื่อส่งผลบัตรยน ก็ สรุรักทุกท่านครับวันนี้ในรายนี้ขณะ น, นี้จะได้ใช้วิธีทอดถวายผ้าป่าสามมัธยีที่ที่สามองค์คือตั้งกองทุนประชาชนเพื่อสังคมจังหวัดบุม น, นะครับก็เป็นการเก็บตกก่อนที่จะได้ทอดถวายไม่ทราบว่าท่านใดมีความประสงค์ที่อยากจะเพิ่มเติหรืออยากจะยังสง่งโชคอะไรต่างๆเพิ่มเติม น, นี้ก็เถีองได้นะครับ ก่อนที่จะน้องนับถวายไม่ทราบว่าท่านมีอะไรเพื่อเจิมเสริมเกี่ยวกับรายละียเกี่ยวกับาป่านี้ที่จะพูดคุยเชิญนักเรินน้องพิ่ท่านไม่เป็นไรครัว่าไปครับผมก็ขอกราบสารคุณเ้าแล้วก็ท่านคณาศูนย์อับบรุท่านนะก็จะขออนาเรียนในส่วนของรายละีนะครับทียับ กองทุนยาและเพื่อสังคมของเรานะครั บ, รบละเียดก็คือว่าในส่วนของูน้ำเอนะครับสืการเงินกิจกาเพื่อนก็ได้เลยมีกิจทางแล้วก็ร่วมโดยช่วยกันนะครับร่วมสมทบทุนนะครับกับกองทุนาและเพื่งคงอคมวัดดของเรานะครับก็จะเป็นกองทุนเป็นกองกลางในเรื่องของกิจการภารนะครับที่จะขับเคลื่อน ในส่วนของดูแลผู้ใหญ่ราดผู้ใหา่ไรนะครับต่อาปที่พวกเราได้ลงทุนในการอบรมพิธีนะครับในอนาคตนะครับว่าถ้าไม่มีหน่วยงานหรือมีคนมีาณที่จะมาให้เราได้ทางานอย่างน้อยก็กองตุ่มตรงนี้นะครับของตุ่มกลางตเป็นตัวที่จะ่างน้อยก็ได้ พบเด็กในระดับของแกน้ำหรืออาจจะการดูแลผู้อยญ่เปลี่ยนเป็นต้นเป็นคเล็กๆนครับเปลนสองของแต่จังหวัดสงของพวนี้ก็มีทุกจังหวัดนะครับขปอานะครับพี่องทีนีก็ได้ตรของเรานะครับก็ด้วยกันในแต่ละพื้นนะครับเป็นใส่ต นะครับที่งงงังเพลก็ได้รับประนทุนนะครับอเภร์ละ3า0พันบาทนะครับที่อเมร์สามพันแล้วก็สามอเมร์0กพันนะครับรวมแล้วยังไม่ได้ค่าใช้จ่ายนะครับรวมแล้วก็เป็ 8, นเงินเจ0ด่ปับาทนะครับอย่างเง้ค่าใช้จ่ายนะครับไี่คือตัวเลขโกลงๆสำหรับในส่วนที่ทางสวงองอ่งงสวนของบังเพลได้รับเงินใช้จ่ายสำองกระางินในกนานเดืน จ ะ, ะให้พวกเราได้นนี้ก็จะนาเข้าบัญชีกลางนะครับเอาบัญกลางเป็นในส่วนของงานวิจัยสารนี่นะครับลาดับต่อไปก็ทางผู้มีการนะครับก็จะใ เ, เ, เป็นท่า น, ท, านท่านรองผู้มีการนะท่านพอรใช้ได้นะพวกากกับพวกเรานะครับคุยในเรื่องของกองทุนวิจชารัฐนะครับแลก็เลนน้อยนะครับขอขอเรียนเชิญท่าน โอเคจบแล้วครับ เราได้ร่วมแรงร่วมใจกันจัดตั้ ง, องอกงองทุนเพื่อหานงินจัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ยากลำบากผู้ที่ยังถัดแทนอยู่ผู้ที่ยังมีความทุกข์อยู่ให้ความหลุดพ้นจากความขัดแทนให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์ถึงแม้ว่าจะมีเงินยอดน้อยนิด น, นะครับอาจจะไม่มาก นะครับหลังจากผานข้าราชการแล้วควิดว่าคงเจ็บอยู่ประมาณ 60,000 หรือว่า 90,000 บาทนะครับประมาณเข้าๆซึ่งเงินยอดดังกล่าวนะครับก็จะนําเข้าบัญชีนะครับกองคุณติดอาสารายารของจังหวัดบุบรีรัมย์ต่อไปเราก็จะมีคณะกรร ม, มาการในการบริหารจัดการกอ ง, ค, งคุณดังกล่าวนะครับซึ่งกองคุณดังกล่าวดันที่คุณติดได้แจ้งกันแล้วว่าจะมีทุกจังหวัด แล้วในสุดท้ายนี้นะครับก็ขอโนโมทนาบุญนะครับจากทุกคำเกออิผู้ที่มีส่วนนะครับในการเสียสละในการจัดตั้งครั้งนี้ได้ประสบแต่ความสำเร็จนะครับมีความก้าวหน้าในชีวิตนะครับมีสุขภาพรนางกยที่สมบูรณ์แข็งแรงไทยที่บาดต่างๆสิ่งที่ไม่มี นครับจกผลบุญที่กระทครั้งในี้ขอฝากตรงีปไปให้หุดนะครับประสบจากความเสด็จความเจริญการงานโดยทั่วากันครับขอขอ บ, บคุณครับกลับขอบคุณท่าในผู้นายกรัฐมตรีสุนรนะครับประสุพโสม์างจาาสตร์ทิศนเทาเรียนมีบางเอาละครับ ปัันนี้ก็คาดว่าปัจจัยพระพปราเพื่อช่วยเหลือผู้ลัง บ, บากรกไรกตรมที่ท่านกุณมในการเด็กพบปาาพูดคุยให้ความก็ขอจะได้เวลาหวาดังนั้นในการถวายนี้ก็ผมกออนุญาตตั้งต้งตนภระปาตรงนี้อยู่ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเสกกลางแล้วก็เจริ พัฒนาในขันภูมิเหตุที่ร ร, รวมทุกขั้นดวงพลังปิดใจมาไว้ที่ต้นาพระปราศกจะไม่ในกรอีอยากได้อยู่ได้ใส่สีนกได้ใส่ที่ไดแใส่เวลาในปีนะครับผมจะใช้ปิดพลังปิดนี่แหะพลังปิดมาที่ต้นาพระปราศเป็นนกถวายถวายเสร็จแล้วเจ้ที่เรานับรายยอดเท่าไหร่เือเท่าไหร่ต่งาง อยากจะแจงให้ราสในช่วงที่นั้นก็จะเรียนเกิดท่านดรนิรันดร์หองกต่าวพปากพูดคุยกนที่จะได้รับผลจากประสูวอีกครั้งหนึ่งของทีนะครับบันนี้กคงพร้อมแล้วู้จะได้เวลาถวายผ้าป่าประชาัของพวกเราเกรดเชิดทุกท่านได้น้องกิจน้องใจนะครับ ที่ตัณฑจิตัณใจเดินทางใจมายเอกเด่นแล้วคือทั้งวิจารมเขเดินทางมาเป็นวัดบ้านหัวถนนบุญลเพื่อจั้ระจักษ์จักรวบรดเรานะครับได้ทอดทัวใหญ่ภาคตะวันโดยพร้อมกันมั่งมีครับเถิดตัณโมสามจุนาโมตัสสะภะคะวะโตวาะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นัโมทัสสะพะขาวะโตวาระหรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมทัสสะพะขาวะโตวาระหรัโตสัมมาสัมพุทธัสสะปีมานีมาจันพันเตปังสุครานีสัพ ป, ปริวารานีพิขุสังฆาสสะโอนุชยามา ส, สาธุโนพันเต พิกุสังโภอิมานีบางตุลานีสัพปริวารานาีปัฏิหาราตุอัมหากันเจวะมาตาพิตุตาทีาานัญจายาตาตาณังพีคารตรมมิตายะสุขายะค่าแด็กพระสงค์พุทธเจ้า ข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้องถวายผ้าปา่าความศักดล์ร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระสงค์ขอพระสงค์จ ง, งรับและผ้าปา่าอวมศักดล์ร้อมทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์ เพื่อความสุ ข, สขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยและแก่ญาติของข้าพเจ้าทั้งหลายนานมีอิดามานดาเป็ น, นต้นด้วยนนที่ร่วมรับไปแล้วจงได้รับกุศลผลบุญแห่งทานนี้การเจตนาประสงค์ของข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดการรับนาน อาาของจังหวัดอุบลรัมถึงแม้ว่าจะเป็นกองเล็กๆแต่ว่าเป็นเป็นท่นสาคัญนะซ่เราอจะต้องเก็จบจกคลืนว้ในประวัติศาสตร์อุบลรัมกันวันนี้นะครับวันที่15ตุลาเรามาร่วมกันนำกองพับป่าทำบุญเรามาสวดมนต์นะทัรนะก็ได้บุญร่วมกันทุกท่านและที่สาคัญ เป็นการมลมกาลังระหว่างทนางนวัดบ้านโรงเรียนในการที่จะพัฒนาชุมชนสังคมให้แข็งแขรงซึ่งต่อไปที่วัดโคตนวล น, นี่ก็จะเป็นศูนย์ประสานงานที่แหน่งของกิจาษาประชากรของจังหวัดผมก็เลย่วนพี่น้องแต่ละเือนมาที่นี่นะท่านจะได้รู้จักที่ ต่อไปเราจะได้มาขึ้นหนุ่มบาลมีหลวงพ่ออหลี่นะครับจะมีการประษานงานกันจะต่อไปเราก็มีการพูดคุยกันนะฮะจะเป็นที่ประสานของกลุ่มประชาสัมพงของบุรีรัมหรือที่เรารู้จักกันในที่หน่งว่าบุรีรัมโฟรั่งนะครับแล้วก็ที่ภาษาประชารัมงเรสารสมัยรวมกันเราจะพัฒนาสูงข้อมูลที่จะพัฒนาท้องถิ่น ในเจิญลต่อไปเพราะฉะนั้นเออย่างที่ผมเรียนพี่น้องว่าโครงการประชารัฐเนี่ยคุณหมอปะเดษที่อยู่ในหนึ่งในกรรมการวิทยาศาสตร์ของชาติจารนี่มีควาสำคัญมากซึ่งเป็นผู้ประสานงานใหญ่ประชารัฐเพราะฉะนั้นเข้าใจว่าโครงการันนี้จะมีการต่อเนื่องนะฮไปได้หลายปีนะครับเพราะจะได้าทงานช้วยเหือคนยากคนจนพี่น้อง ก็ต uh, ้องได้พระคุณเจ้าได้มาเสริมนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็เลยอยากจะดึงบรรดาเครือข่ายได้มามาที่นี่และต่อไปในส่วนของพระสงฆ์จะมีการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายพระสงฆ์เพื่อการพัฒนาเราเราจะรวกันในกลุ่มพระสงฆ์เราจะรงมเป็นกลุ่มนครบอไทยโบรีก็คือกลุ่มมีสารใต้เขตหนึ่งก็ต้องแต่ ไชยภูมโคราปุริลังสุลินนะครับรก็จะมีการตั้งเป็นเครือข่ายนะโดยมีหลงตาแช่ซึ่งเป็นพระที่เป็นแกนนําตั้งแต่สมัยศิบนะจะพอตรงใชนะ่นเพื่อนจุดโคราเพื่อยู่ที่แถวสีชิวแถวสุเรรณเพื่อนจะมาัาราศปราศนะใช่ไหมร้าสูง เราก็จะมีคนเหลืนที่ช่วยถ่ายเข้าเป็นกลุ่มส่วนบรรดาเครือข่ายญาติโยมก็จะรวมตัวกันเป็นกลุ่มนักบอชายบุรีเราก็จะทางานด้วยกันเพราะว่าในส่วนของประชาชนที่เราก็รวมกันเป็นงมสารใต้อยู่แล้วกันในในวันที่สิบห้าสิบหกพฤษจิการนเดือนหน้าดีเราจะมีแกนนํามาเป็นกลุมเรทีก็เรียกว่าเรที จัดพิธีสักการของสวนกลาที่เมืองทองประชากรจัก77จังหวัดก็จะมีแกลนําสวนไอร่วมก็คิดว่ารัฐบาลก็่าจะสนับสนุนโครงการนี้ต่อไปเพื่อเโนะครับเพราะฉะนั้นเราอากจเรียนที่น้องเป็นในเราแล้วการมาทำข้าวปาอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นจะไม่มากแต่เป็นจุดเริ่มต้นต่อไปก็จะมีขั้นมีต่อนะครับ แต่เรื่องที่ท่านพอคงชัยเรียนที่ทราบแล้วคว่าในข้าป่าของกองทุงประชาชนเนี่ยนะครับเราได้จัดเก็บไว้ในในบัญชีแล้วในส่วนเนย่อยู่กับผอเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ยอดรวมนับเนี่ยจะไม่ใช่ตัวเลขจกิานะจ๊ะเป็นตัวเลขของพูดที่ที่สมัยนี้ เลขปีก็จะเริต้นที่หแล้วก็จะส่งเข้าไปเ่ยๆเมืเราทงานแต่ละปีล้วก็จะทางานร่วมกันอเนี่ยตัวเลขที่ได้หนึ่งนสาหสแต่จิงๆก็คือหกนะตัวเลขที่ได้แล้วยัริงๆแล้วุนทางสังคมเนี่ยมันมีมูลค่าที่ประมาณที่ได้อะย่าง้ยนะอย่างที่เราเคยได้ยแทุนทางสังคมเนี่ยเราอยที่สมัย ความร่วมมือร่วมใจเพื่อกอนเสริมพลังเนี่ยมีคุณมูลค่ามหาศาลมากกว่าเงินเป็นล้านๆหลายเราจึเริ่มเรารวมกันนี้ต่อไปมันจะยั่งยืนมันจะตกถึงพี่น้องควทุกคนยากนี่เป็นคุณคุณคุณที่ใหญ่ที่เราเราพลังทำนะครับเพราะฉะนั้นที่เรายาจะเรียนพี่น้องทุกท่านนะครับก็คงจะขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่มาร่วมกันในครั้งนี้ และก็ขอบคุณทางวัดที่เสนอสนุบกิจกรรมโดยเฉพาะพระคุณเจ้าท้าอาจารย์มหาแสนเจริญพิจิตรโอฬารให้การสนับสนุนนะครับจับปากพี่น้องว่าเราจะรวมโึ้ในการที่จะพัฒกาประชากเพื่อคนยากคนไร้ของบุรีรัให้เจริญรุ่งเรองต่อไปฝากไปเป็นครับ ทีเด่นพอได้นะครับเอบ่อในโอกาสต่อไปผมขออนุญาตให้ยนินเชินตัวแทนสิบท่านนะครับตามจำนวนพระสงฆ์นะครับได้ออกงครับรูปที่หนึ่งนะครับอเอเ ก, ก, ก, รก็เลยเชิญท่านผู้ช่วยาสตราารย์ลพบุญเลิศคุณธนั น, ดนได้ถวายนะครับ รูปที่สองว่าที่พันธตรีสมวนนนทีกระโทษนะครับจากอำเภอพัฒนใหม่ไทยนะครับรูปที่สามท่านผู้ในการสวายโรจนวันนะครับจากอำเภอละหานทายนะครับูปที่หนึ่งรูปที่สี่ขันยนจอรโขงระโพนจากอำเือตะโพนไทยเฮ้ยถ้างั้นมันก็สิบ่รูปที่ห้าท่านสวัส บุรษิษนะครับจากลำพือลำไยม้าที่ผมรวมกับพี่เกติพงศ์พาชิดไปใช่ไหมครับพี่ขอขอไปนะครับจากลพือลำไยมากนะครับโคไม่กลัวนะครับทคตรกลวนะครับที่เกติพงศ์นะครับรูปที่เก็ดครับท่านรองนายกประศกหินหินปุ่นพี่กลัวหมอกนะครับจากลำพือ หรือเพื่อนเครับรูปที่8คุณวัฒ น, นาภาสานะครับจากคปตนันรูปที่ก้าท่านอาจารย์ยังยืนเตียตะคุณนะครับจากคื้เมืองและรูปที่สีค ร, รับท่านทนายนักผ่านพัฒนากุรธรรมจากมหาวิเย์จุกกลกศลวัดวิเลครับ here yeah. สยาม i ีวิราชภูตติเจริญเสด็จนันโมธัญญาและมีกิจกรรมนมุกในเมองก็ถือว่ายุติเกิ อิจิตังปจิตังตุ้งหันเกตัมเนวะสนิจโตสะเฮปุเรนโสังกะปาจันโทปะนรโยธามณิโถติรโยธ